เรื่องวิถีจิตที่เราจะเอามาพูดกันในระยะเวลาเก้าครั้งติดต่อกันนับตั้งแต่ครั้งนี้เป็นต้นไปนั้นผมขอบอกในเบื้องต้นว่าเรื่องวิถีจิตนั้นในหมู่ของนักศึกษาพระวิธรรมเขาถือกันว่าเป็นเรื่องที่มีความยากที่สุดกว่าเรื่องอื่นทั้งที่ว่าวิถีจิตนั้นถ้าจะพูดถึงที่มาของเรื่องแล้วอยู่ในบริเชษที่สี่ของอภิธรรมทั้งหมดเก้าบริเชษ แปลว่าที่เรากำลังพูดกันอยู่นี้เป็นเนื้อความในปริเชตที่4โดยที่เรานําเอาเนื้อความมาอธิบายกันแต่อย่างไรก็ตาม เ, าเรื่องวิถีจิตนั้นเป็นเรื่องที่นักศึกษาพระพิธรรมหรือผู้ที่สนใจธรรมะขัน้นลึกซึ้งจำนวนมากด้วยกันที่รู้สึกมีความสนใจเป็นพิเศษและเมื่อได้เรียนแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนุกน่าสนุกอย่างยิ่งน่าติดตามเรียนอย่างยิ่ง ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจก็ยิ่งชวนให้เรียนเป็นการสนุกในเรื่องของสติปัญญานะครับผมก็คิดว่าการที่ได้เอาเรื่องนี้มาพูดก็เป็นข้อที่จะพิสูนรอย่างหนึ่งคือหนึ่งพิสูนรคนบรรยายเพราะว่าการอธิบายเรื่องวิธีจิตนั้นถ้าพูดไม่เข้าใจแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องที่น่าเบื่อที่สุดรับรองได้ว่าพูดไปถึงครึ่งหลักสูตรคนเรียนจะต้องเหลือครึ่งห้องแน่นอน นี่ยังถือว่ายาัอย่างเก่งนะอย่างเก่งโดยธรรมดาเนี่ยพูดกันสามครั้งนักเรียนจะเหลือแค่ครึ่งห้องเท่านั้นเองเพราะว่าเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วก็จะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากไม่ว่าท่านจะเป็นนักปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งนักปฏิบัติธรรมนั้นเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดเลยทีเดียวและท่านที่เป็นผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาการทําใจในชีวิตประจําวันหรือการทําใจในเรื่อง อื่นๆมุมมืออก็ตามเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างสูงเรื่องวิธีจิตนั้นเป็นส่วนที่สืบเนื่องจากเรื่องจิตและเจตสิกประมัติที่เราได้เรียนมาคือจิตกับเจตสิกที่ได้ศึกษามาในสองโครงการแรกนั้นเป็นการทำความเข้าใจเรื่องจิตอย่างเอกเทศคือเฉพาะตัวเช่นโลภะมูลจิตมีกี่ดวงโทสะมูลจิตมีกี่ดวงโมหะมูลจิตมีกี่ดวงมหาอุสลจิตมีกี่ดวง เราก็เรียนเป็นตัวตัวไปเหมือนกับเรียนกอไก่ขอไข่คือกอไก่ถึงฮอนุกุกท่านก็จะรู้สึกว่าแค่กอไก่ถึงคอนุกุกก็เป็นประโยชน์แก่ชีวิตมากแล้วแล้วก็เจตสิกนั้นก็เหมือนกับตัวตัวสระที่ประกอบกับตัวพยัญชนะคือตัวตัวจิตเราก็เรียนเป็นตัวตัวสละแต่ละตัวแตะตัวตั้งแต่เจตสิกดวงต้นจนกระทั่งถึงดวงที่ห้าสิบสองเรียนเป็นแบบเอกเทศ และสังเกตดูสําหรับท่านที่ได้ศึกษาแล้วก็มักจะมีคําถามที่บางทีจะสงสัยกันอยู่ว่าการที่จิตรับรู้อารมณ์เนี่ยเช่นเราเห็นหรือเราฟังใครเขาพูด เ, เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งแต่เราเห็นครั้งแรกสุดที่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรจนผ่านลําดับเวลามาจนถึงจุดที่เรารู้ว่าเป็นอะไรจิตทํางานกันอย่างไร ไอ้ตรงนี้แหละครับเป็นบทบาทของวิถีจิตซึ่งก็หมายความว่าการที่เรานึกคิดก็ตามฟังสิ่งต่างๆก็ตามเห็นสิ่งต่างๆก็ตามดมกลิ่นต่างๆก็ตามจิตนั้นมันทำงานกันเป็นวงรอบที่ภาษาพระเขาเรียกว่าเป็นวาระที่เรียกกันว่าวาระจิตที่เราเคยได้ยินว่าพระองค์นี้ทราบวาระจิตของคนหรือบุคคลผู้นี้ทราบวาระจิตของคนนั้น คำว่าวาระเนี่ยหมายถึงจิตที่เริ่มทำงานครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่รูปมากระทบตาแล้วมันก็ค่อยๆเดินทำงานของมันมาโดยลำดับจนกระทั่งสิ้นสุดสิ้นสุดการทำงานในอารมณ์นั้นๆเรียกว่าเป็นวาระหนึ่งหนึ่งของจิตเราทุกคนมีจิตเกิดขึ้นเป็นรอบๆ อ, อย่างนี้เหมือนกันทั้งสิ้น เรียกว่าเราจะเป็นใครก็ตามจะมีนิสัยอย่างไรก็ตามจะเป็นคนที่มีความโลภมากโลภน้อยมีเมตตากรุณาสูงมีความซื่อสัตย์สูงหรือเป็นคนขี้จ๋าทิสยาวีลสนิยมอะไรอย่างไรก็ตามแต่รูปแบบของจิตเมื่อรู้อารมณ์ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนั้นจะเหมือนกันหมดทุกคนอันนี้การที่เราได้เรียนรู้เรื่องอย่างนี้เนี่ยถ้าถามว่าเรียนรู้แล้วได้อะไรบ้างถ้าถามอย่างนี้นะฮะ ก็จะขอชี้ให้เห็นยกให้เห็นพอเป็นตัวอย่างเาจะจะชี้จริงๆในเมื่อรายละเอียดมาถึงเราจะพบว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตที่ว่ามันทำงานกันอย่างไรอย่างไรเนี่ยจะทำให้เราได้หลักอย่างหนึ่งที่เราเคยเปิดอบรมกันมาคือเรื่องของพุทธวิธีทำใจไอตอนนั้นเราไม่พูดลึกกันถึงขั้นวิธีจิตเราพูดกันแต่ขั้นธรมธรมดาธรรมดาถ้าเข้าใจเรื่องวิธีจิตแล้วเราจะรู้ทันทีว่า เมื่อนะอารมณ์มากระทบตาของเราเป็นตน้นกระทบหูของเราเป็นตน้นเราเกิดความรู้สึกไม่ชอบอารมณ์นี้เป็นปกติตั้งแต่ไหนแต่ไรามาหรือเกิดความชอบอารมณ์นี้เป็นปกติตั้งแต่ไหนแต่ไร ม, มาเนี่ยแล้วเราก็เกิดความปรารถนาว่าทำอย่างไรเราจึงจะไม่ชอบอะเราจึงจะละความชอบอารมณ์นี้ทำอย่างไรเราจึงจะละความยินร้ายในอารมณ์นี้ให้ได้ อันนี้ครับมันมีจุดจุดของมันอยู่ว่าที่เราชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันอยู่ตรงตำแหน่งไหนของวิธีทิตไอ้ตำแหน่งนั้นเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งที่มีความเกี่ยวโยงย้อนไปสู่อดีตก็อาจจะต้องของควกรุณาอาจารย์นิสาเขียนให้ดูเฉพาะตรงนี้สักนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นเป็นจุดตัดสินอารมณ์นะครับภาษาพระเขาเรียกว่า อาวัชนกิจหรือโวฒภพนาิจจุดตัดสินอารมณ์จุดตัดสินอารมณ์ในวิถีจิตตรงตำแหน่งที่ว่านี้นั้นเป็นจุดที่ เ, เรียกว่าการที่เราจะพอใจชอบใจหรือไม่ชอบใจอะไรทั้งหลายทั้งปวงนั้นว่าที่จริงนะไม่ใช่อยู่ๆเราไม่ชอบเดี๋ยวนั้นขณะนั้นแล้วก็ไม่ใช่อยู่ๆเราจะมาเพิ่งชอบกันเดี๋ยวนั้นขณะนั้น เป็นสิ่งที่เราได้สะสมเอาไว้แต่อดีตเก่าก่อนนานมาแล้วและอํานาจการสะสมในอดีตที่เราสะสมแต่อดีตเก่าก่อนนานมาแล้วนั้นมันจะมีจุดประทุของมันนะฮะไอจุดประทุเนี่ยครับจุดประทุเมื่ออารมณ์มากระทบแล้วจิตมันทํางานไปโดยวาระของมันจนถึงจุดตรงนี้เนี่ยอํานาจความเคยชินในอดีตของเรามันจะประทุออกมา เมื่อประู่ออกมาใครอบรมม า, ากับอารมณ์นั้นอย่างไรคือเรียกว่าได้อบรมทัศนคติหรือรสนิยมต่ออารมณ์นั้นไว้อย่างไรในอดีตก็จะทําให้บุคคลคนนั้นเมื่อรับอารมณ์อย่างนั้นนะคืออารมณ์เดียวกันนั้นหรืออารมณ์ประเภทนั้นอารมณ์คล้ายๆกันนั้นเขาคนนั้นก็จะตัดสินใจในอารมณ์นั้นไปในทํามนองนั้น ยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวอาจารย์นิสาคงจะชี้ให้เห็นว่าจุดตรงไหนที่เรียกว่าท่านเขียนย่อๆนะครับเขียนย่อๆก็คงจะมีรายละเอียดในกลางต่อไปเรียกว่าโวดธรรมณะที่เขียนคําว่าโวเฉ ย, ยๆแปลว่าโอดธรรมณะแปลว่าตัดสินคือจุดตัดสินจุดตัดสินใจการตัดสินใจของเราแต่ละคนแต่ละคนในเรื่องต่างๆนั้นตัดสินใจตรงนั้น และตรงนี้แหละมาจากอดีต ท, ที่เราได้เสพคุณสะสมเอาไว้แล้วก็มาโปรโตรงนี้โปรโตรงนี้โปรโตรงนี้ทุกเรื่องทุกกรณีไปเลยอ้าวยกตัวอย่างเช่นเราสะสมอบรมความชอบในเรื่องเอาเป็นว่าเรื่องเงินนะฮะเรื่องเงินเราใช้เงินตราของไทยแบ่งสีแดงบางแบ่งสีม่วงบาง เราเห็นแบงสีแดงแบงสีม่วงหรือแบงสีเขียวหรือแบงสีวางไอความรู้สึกของเราเมื่อตาไปกระทบแบงที่มีขนาดต่างๆการสีขนาดต่างๆสีต่างๆกันเนี่ยเราจะมีความรู้สึกในใจแตกต่างกันไปตามอํานาจตามลักษณะของอารมณ์นะฮะนี่พูดถึงคนไทยถ้าสาัตว์เลี้ยฉชางมันมาเห็นมันไม่ตัดสีอย่างเรานะ ฝลังมาเห็นทดิเขาไม่รู้จักค่าเงินไทยเขาก็ไม่รู้สึกอย่างเราแต่อย่างเราเนี่ยเราเห็นแล้วเรารู้สึกอย่างที่เรารู้สึกเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะนั่งรถโดยสารประจําทางไปและเราก็ต้องสะดุ้งตกใจว่าทําไมอยู่ๆมันเบรกกลางถนนเราก็เลี้ยวไปเลี้ยวมาปรากฏว่าไอ้คนขับรถมันมันหยุดรถอยู่กลางถนนแล้วมันสั่งกระเป๋าบอกว่า ลงไปเร็วลงไปเร็วคอยจ้องดูให้ดีเดี๋ยวพี่จะเคลื่อนรถสิบว่าแบงค์ห้าร้อยมันตกอยู่แล้วแกก็เคลื่อนบอก็หยิบไม่ดีนะย้ายเปลิวไปนะที น, นี้ไอ้กระเป๋ามันก็หยิบขึ้นมาปรากฏว่ามันกลายเป็นซองบุหรี่ชนิดหนึ่งผมไม่รู้อะไรนะมองเผลอเผลอแล้วมันเหมือนแบงค์ห้าร้อเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันมีลักษณะคล้ายกับสิ่งที่ตัวเองเสพคุณมาในอดีตมันจึงออกมาทําให้ตัวนะตัดสินใจ ไปในลักษณะที่ตัวเสพคุณการที่บุคคลสองคนมาพบกันแล้วก็เกิดบุพเพส น, นิวาสขึ้นที่เราพูดพูดกันเนี่ยในทางวิธีจีกตอธิบายกลไกได้หมดทำไมถึงเกิดบุเพส น, นิวาตขึ้นจิตมันทำงานกันยังไงก็เพราะว่าคนสองคนนั้นได้เคยสะสมอบรมการอยู่ร่วมกันมาในอดีต เมื่อได้สะสมอบรมการอยู่ร่วมกันมาในอดีตเมื่อสองคนนั้นมาเกิดเจอกันอีกไอแววของอดีตจริงอยู่แม้ว่าคนนั้นเขาจะไม่มีหน้าเหมือนอดีตทุกอย่างแต่อาการกิริยาก็ดีนะครับบางส่วนที่มันออกมาในทางรูปอารมณ์หรือการพูดการจา ก, ก็ดีที่คนเคยอบเคยพูดเคยจาไว้ในอดีตอย่างไรมันก็ติดตัวมาในปัจจุบันลักษณะการพูดใจะไก ล, ลปัจจุบันเหมือนอย่างพวกระลลึกชาติได้ ทวงตำนองการพูดเสียงอาจจะเปลี่ยนไปแต่มันจะมีเข้าที่มากระทบความรู้สึกของคนที่เคยเสพคุณได้นะฮะหรือนิสัยใจคอบางทีเราก็พูดว่าถูกใจถูกนิสยัยควาจริงเราสอบดูแล้นี่มันถูกทั้งรูปลาลมบางส่วนที่เป็นส่วนหลงเหลือที่เคยเสพคุณกันเมื่ออดีตแล้วก็ทั้งเสียงทั้งการพูดน ะ, ะไอท้ทั้งทั้งกลิ่นเนี่ยอาจจะไกลหน่อยนะฮะจะไปขอดมเ ข, ข้าไปหนะ เดินสวนกันแล้วได้กลิ่นดีแล้วก็คงจะไม่ชัดเจนมากนักทางรถก็คงไม่ได้ทางโพธพิพพระเป็นไปได้ที่ตัาผัสถูกต้องและเรื่องในดีก็เคยมีแล้วก็เรื่องทางจิตคือนิสัยพอเราได้รู้สึกว่าได้เห็นนิสัยแค่เนี่ยเราเกิดความรู้สึกชอบเพราะว่าเราเคยเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นหรือคนที่เป็นเจ้ากรรมในเวรกันก็เหมือนกันมันก็ออกมาทางนี้ครับ น, นี่แปลว่าอะไรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้รับรู้รับทราบ หรือได้สะสมโดยการกระทาไว้ในปัจจุบันมันถูกสะสมเก็บไว้ในจิตของเราน ะ, ะแล้วมันก็จะมีช่องออกของมันน ะ, ะช่องที่มันออกมาก็คือตามจุดต่างๆของวิถีจิตเประวิถีจิตแต่และ ว, วิถีเนี่ยในในส่วนหนึ่งอดีตที่ที่ผมจี่ยวเห็นนะคือวัธรรมนาเนี่ยอดีตอดีตที่เราสะสมไว้มันออกมาเป็นรูปของการตัดสินใจ แล้วก็ในจุดอื่นผมจะชี้ให้ดูบางจุดพอเป็นตัวอย่างให้เห็นนะครเพื่อจะได้รู้ว่าเราเรียนวิถีจิตแล้วไม่ใช่เรียนเป็นปรัชญาเอาไปใช้อะไรไม่ได้ในอีกจุดหนึ่งก็คือกรรมที่ได้ทําไว้ในอดีตเอาจุดที่ชัยเชี่เห็นคือทวินะทวิทวิตรงนั้นนะ่ะยังไม่ต้องไปยุ่งอะไรมากนะักแปลว่าจุดตรงจิตนี้นะ่ะเป็นจิตที่ทําหน้าที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรส ที่เราเคยเรียนมาในเรื่องของจิตปรมาทิตย์แต่ว่าเรายังไม่เคยมาจับเข้าตำแหน่งอย่างนี้นะอันนี้จะชี้ให้เห็นก่อนว่ากรรมที่เราทำไม่แต่อดีตอะไรก็ตามนอกจากมันจะออกมาเป็นรูปของนิสัยในวอธระพนาแล้วยังออกมาในรูปของวิบากกรรมคือทำให้เรานั้นไม่อยากเห็นก็ต้องได้เห็นนะไม่อยากได้ก็ต้องได้ ไม่อยากสูญเสียก็ต้องสูญเสียไม่อยากถูกต้องก็ต้องถูกต้องไม่อยากนึกคิดก็ต้องนึกคิดไอ้ที่อยากจะนึกคิดก็คิดไม่ออกอะไรนะคิดไม่ออกที่อยากจะได้ยินก็ไม่ได้ยินเหล่านี้เป็นต้นกรรมมันแสดงออกมาเมื่อจิตเราขึ้นทำงานนั้นเวลาที่เราได้รับเสวยผลของกรรมเนี่ย เราก็ได้รับเมื่อตาเห็นลูกหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นอย่างที่เรียนมาเรื่องจิตปรมตณูเนี่ยทุกเมื่อเชื่อวันอย่างว่าเราได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมานะอาการที่ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาชิ้นหนึ่งเนี่ยคนชิ้นนั้นนะคนคนนั้นซึ่งเป็นชิ้นหนึ่งของชิ้นนั้นซึ่งเป็นชิ้นหนึ่งเมื่อเราได้มาแล้วเราก็เอามาเสพเอามาเสพหมายความว่า เอามาดูเอามาฟังเอามาดมเอามาสัมผัสถูกต้องแล้วก็เอามาคิดนึกเหมือนอย่างเราคิดนึกสิ่งอันเป็นที่รักของเป็นที่รักคนเป็นที่รักเนี่ยอะไรทั้งหลายที่เราได้มาเนี่ยเราเอามาเอามาเสพทางพระ ห, หร้อเอามาเสพเพื่อเอามาเพื่อกระทำให้เป็นอารมณ์ทีนี้เมื่อเราได้เอามากระทาให้เป็นอารมณ์เนี่ยของชิ้นเดียวกันเนี่ยบางการเมื่อเราเสพสิ่งนั้น เป็นอิทธารมที่น่าพอใจนะบางการเราเสพสิ่งนั้นมันกลายเป็นอนิธารมอันไม่เป็นที่น่าพอใจก็ไม่ต้องอื่นไกลเราได้บุตรมาหนึ่งคนก็ตามการที่เราได้บุตรมาหนึ่งคนเนี่ยตอนที่เขาเรารู้ว่าบุตรของเราที่เราได้ให้กําเนิดนั้นได้เกิดขึ้นแล้วในท้อง เราเกิดความสุขเมื่อเรานึกถึงว่าเราเป็นพ่อคนแล้วแม่คนแล้วยาคนแล้วปู่คนแล้วตาคนแล้วเราเกิดความสุขไอ้ตอนนั้นนะ่ะเป็นกุศลนิบาศนะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าในลําดับต่อไปเนี่ยไอ้สิ่งนั้นอาจจะมีส่วนที่เป็นอกุศลนิบาศ ก, ก็ได้เหมือนอย่างพระเจ้าพิมีสารที่ทรงได้ประเจ้าแช่ศัตรูมาเป็นโอรสรูปร่างหน้าตาน่ารัก เด็กๆน่ารักมากตอนที่รู้ว่าพระม่เฮสีตั้งครรภ์ก็ดีอกดีใจเสร็จ แ, แล้วหมอมาทายว่าลูกคนนี้เป็นลูกที่จะเกิดมาเพื่อข้าวพอ<ม>ก็เกิดความกลัวนะไอ้ตรงนี้เรียกว่าเป็นอกุศลวิบากนี่เมื่อคลอดออกมาแล้วพูดถึงคนอื่นบ้างคลอดออกมาแล้วมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีปะปนกันทั้งอกุศลวิบากและอกุศลวิบากก็ได้เกิดขึ้นกับวัตถุชิ้นนั้นเป็นครั้งเป็นกล่าว เนี่ยไอ้วิถีจิตมันก็จะเกิดนะครับคราวใดที่เราเกิดอกุศลวิบากเพราะวัตถุชิ้นนั้นตอนนั้นน่ะวิถีจิตมันก็จะทํางานอย่างหนึ่งคราวใดที่เราเกิดกุศลวิบากเพราะวัตถุจิ้นนั้นวิถีจิตก็จะทํางานอย่างหนึ่งมันก็จะทํางานเป็นคราวๆเพราะฉะนั้นเรื่องผลบุญผลบาปเนี่ยในขั้นลึกเนี่ยเขาไม่ถือตายตัวนะเขาไม่ถือตายตัว ไม่ถือตายตัวถือเป็นครั้งเป็นคราวมันอยู่ที่ว่าเราเสพสิ่งนั้นแล้วเราได้รับความรู้สึกอย่างไรบางคราวอาจจะดีก็ได้บางคราวอาจจะไม่ดีก็ได้ไม่แน่เพราะฉะนั้น อ, อย่างที่สันยกตัวยอย่างว่าอย่างพริกเนี่ยพริกพริกขี้หนูหรือพริกอะไรก็แต่ก็แล้วแ ต, แต่ที่เผ็ดๆเราปลูกพริกไว้ต้นหนึ่งมันออกมเมล็ดสีเขียวสีแดงใบเขียว เราดูแล้วสวยใช่ไหมลนะ่ะเราเอามาคั่วเอามาตําเป็นพริกพริกป่นไปแกงกินเราก็รู้สึกอร่อยตามรินของคนไทยเป็นกุศลที่บาปแต่ว่าเมื่อใดที่เรากินพริกนั้นหรือตำพริกนั้นแล้วพริกนั้นมันกระเด็นเข้าตาตรงนี้เขาบอกว่าเป็นอกุศลที่บาปที่เกิดจากวัตถุจินนั้นเนี่ยมันถึงเป็นไปได้ทั้งสองอย่าง เป็น ไ, ได้ทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้แต่ที่เรามีเนี่ยเราพูดว่าเราได้สิ่งนั้นเพราะกุศลวิบากเนี่ยมันเป็นการพูดอย่างเป็นส่วนใหญ่ๆนะอย่างเป็นส่วนใหญ่ๆอย่างที่เราพูดก็ว่าทุกขลาบเนี่ยทุกขลาบหมายก็ว่าไอ้ตรงนีน้มันเป็นเขาให้ข้อคิดกวามเข้าใจเรื่องนี้คือหมายก็ว่าของบางอย่างนี่เห็นชัดว่าไอ้ตอนที่เราได้มาเป็นกุศลวิบากเรียกว่าเป็นลาบ แต่ว่ามันพ่วงเอาหายณะมาด้วยการที่มันพ่วงอายณะมาด้วยเนี่ยมันกลายเป็นทุกข์ทุกข์ที่ติดตามลาบมานะหรือเรียกว่าเป็นอกุศลวิบากที่ติดตามกุศลวิบากมาชีวิตของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ยครับเราจะเป็นคนที่เรียกว่ายั้งกับทุกทุกอารมณ์จริงๆเราจะยั้งใจกับทุกอารมณ์พราเรารู้เลยว่าเอาได้กาอีมามาเนี่ย เราไปซื้อมันมาเรามุ่งที่จ ะ, สะเสวยสุขของมันตรงไหนแล้วมันมีอะไรติดมามีอะไรเป็นผลร้ายติดมาเราก็จะนึกออกมองออกนะเวลามันโผล่ออกมาเราก็ออกนึกออกว่าอ่อนนี่มันเป็นมุมของอกุศลวิบากที่ปรากฏออกมาในวิถีจิตทั้งหลานะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ชี้ให้เห็นเอาคราวนี้อีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งของวิถีจิตนะที่เขียนว่าชาวนะเนี่ยมันเป็นมุมที่ เรียกว่าเป็นการสร้างกรรมใหม่เป็นการสร้างกรรมใหม่เพราะฉะนั้นในวิถีจิตเนี่ยจึงเป็นการทํางานของจิตที่ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นการเสวยผลกรรมเก่านะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นการทํากรรมใหม่ที่ทํากรรมใหม่ก็คือตรงชาวนะ พูดไปพูดมาผมต้องขอย้ําอีกครั้งว่าขณะนี้ผมยังไม่ได้อธิบายเป็นรายละเอียดจริงๆนะครับเดี๋ยวท่านจะ น, นึกว่าเอ๊ะทำไมพูดตั้งนานเลยยังไม่เห็นรู้เรื่องเลยยังไม่เห็นตั้งตนทักตรีอะไรนี่เป็นการพูดแบบยกตัวอย่างให้เห็นอย่างคร่าวๆท่านจะได้ฟอนึกออกไอ้ตรงนี้แหละครับที่ว่าเป็นกรรมใหม่เราจึงเห็นได้ว่าเมื่อจิตของเราเกิดขึ้นรอบหนึ่งหรือวิถีหนึ่ง ในภาษาที่เราพูดถึงกันมันเริ่มต้นด้วยด้วยกรคำเก่ามาก่อนในเบื้องต้นที่ที่อธิบายเมื่อกี้อีกเขียนาทวินะกรคำเก่าเนี่ยมาก่อนแล้วก็นิสัยมาเป็นตัวบิดกรคำเก่าเนี่ยเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างกรคำเก่ากับกรคำใหม่ตรงโวรธชาวนะแล้วชาวนาเนีเป็นกรคำใหม่ตรงนี้นะ่ะ มันสอดคล้องกับที่เราเคยได้ยินคำว่าวัตตะสามคือกรร ม, มวัฏอวิปากวัฏนะอวิปากวัฏกิเลสวัฏกรร ม, มวัฏ จ, จะลองชี้ให้ดูนะฮะว่าชีวิตของเราเนี่ยสอดคล้องอย่างนี้จริงๆออย่างเราเนี่ยเรามาพบกันนะฮะเรามาได้ฟังธรรม หรือเราได้เกิดมาเนี่ยมีอุปกรณ์ที่จะทำบุญเป็นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาอะไรก็ตามนะได้มาอยู่ในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิสนับสนุนให้เราไปไปฏิบัตทิทราไปฟังธรรมไปรักษาศีลอย่างนี้นะถือว่าเป็นทุนนะเป็นวิบากกรรมเก่าที่เราได้สะสมไว้มาเป็นส่วนของทุนเป็นของดีทีนี้เมื่อเราได้ทุนมาแล้วเนี่ย บางคนใช้ทุนไม่เป็นเรียกว่าได้มรดกมาก็ล้างสานมรดกที่พ่อแม่ตั้งสมไัตให้ไอ้บางคนก็อไปต่อทุนสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับวงสกุลมากยิ่งขึ้นถามว่าอะไรเป็นตัวทำให้ทุนหายกำไรหดหรืออะไรเป็นตัวที่ทำให้ทุนเจริญงอกงามเราก็ต้องบอกว่าเราถ้าเราพูดอย่างธรรมดาบอกความสนใจความใส่ใจ ถ้าพูดอย่างธรรมธรรมะเขาเรียกว่าเพราะ อ, อุปนิสัยนีเห็นนะครับว่าการที่บุคคลทํากรรมเอาไว้เนี่ยถ้ามีอุปนิสัยเข้ามาเป็นส่วนบริหารวิบากนะวิบากนะัมันเป็นมุมที่เรียกว่าเป็นการสร้างกรรมใหม่เป็นการสร้างกรรมใหม่เพราะฉะนั้นในวิถีจิตเนี่ยจึงเป็นการทํางานของจิต ที่ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นการเสวยผลกรรมเก่านะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นการทำกรรมใหม่ที่ทำกรรมใหม่ก็คือตรงชาวนะอพูดไปพูดมาผมต้องขอย้ำอีกครั้งว่า<ม>ขณะนี้ผมยังไม่ได้อธิบายเป็นรายละเอียดจริงๆ<ม>นะครับเดี๋ยวท่านจะ น, นึกว่าเอ๊ะทำไมพูดตั้งนานแลยยังไม่เห็นรู้เรื่องเลย ยังไม่เห็นตั้ง ต, นต้นทักทีอะไนี่เป็นการพูดแบบยกตัวอย่างให้เห็นอย่างคร่าวๆท่านจะได้ปอนึกออกไอ้ตรงนี้แหละครับที่ว่าเป็นกรรมใหม่เราจรึงเห็นได้ว่าเมื่อจิตของเราเกิดขึ้นรอบหนึ่งหรือวิถีหนึ่งในภาษาที่เราพูดถึงกันมันเริ่มต้นด้วย ด, ด้วยกรรมเก่ามาก่อนในเบื้องต้น ที่ที่อธิบายเมื่อกี้อีกเขียนว่าทวิอ่ะนะกรรมเก่าเนี่ยมาก่อนแล้วก็นิสัยมาเป็นตัวบิดกรรมเก่าเนี่ยเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างกรรมเก่ากับกรรมใหม่ตรงโวตชาวนะแล้วชาว น, านะนั่นเป็นกรรมใหม่ตรงนี้นะมันสอดคล้องกับที่เราเคยได้ยินคําว่าวัตถสามคือกรรมมาวัดอวิปากวัดนะ วิปากาวัฏกิเลสวัฏกรรมวัฏะ จ, ะจะลองชี้ให้ดูนะฮะว่าชีวิตของเราเนี่ยสอดคล้องอย่างนี้จริงๆ อ, อย่างเราเนี่ยเรามาพบกันนะฮะเรามาได้ฟังธรรมหรือเราได้เกิดมาเนี่ยมีอุปกรณ์ที่จะทำบุญเ ป, เป็นการให้ทานการรักษาสิ่งการเจริญภาวนาอะไรก็ตามนะ ได้มาอยู่ในครอบครัวที่เป็นสัมาทิติสนับสนุนให้เราไปไปฏิบัติธรรมไปฟังธรรมไปรักษาศีลอย่างนี้นะถือว่าเป็นทุนนะเป็นวิบากกรรมเก่าที่เราได้สะสมไว้มาเป็นส่วนของทุนเป็นของดีทีนี้เมื่อเราได้ทุนมาแล้วเนี่ยบางคนใช้ทุนไม่เป็นเรียกว่าได้มรดกมาก็ล้างฐานมรดกที่พ่อแม่สร้างสมไวให้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 การที่บุคคลทำกรรมเอาไว้เนี่ยถ้ามีอุปนิสัยเข้ามาเป็นส่วนบริหารวิบากนะวิบากนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเกื้อกูลต่อกุศ ล, ลกรรมใหม่ท่านไม่เห็นนะครับว่าบางคนเกิดมาแข็งแรงร่ำรวยรูปสวยรูปหล่อแต่ว่าได้ใช้กุศลวิบากที่ได้ทำไว้แต่อดีตเนี่ยไปในทางที่ผิด อย่างนี้เขาเรียกว่านิสยัยนิสัยชั่วนะนิสัยชั่วมาเป็นตัว <c oughs> นำเอาทุนเก่าเนี่ยไปสร้างความชั่วใหม่ไม่มีเลยครับที่เกิดมาแข็งแรงเฉลียวฉลาดนะแต่ว่าเอาความแข็งแรงความเฉลียวฉลาดนั้นไปใช้ในทางนักเลงสร้างความพยนะให้กับตัวเองและสังคม ก็มีใช่ไหมล่ะหรือบางคนที่อาจจะเกิดมาในชาติสกุลสูงอย่างในสมัยพุทธกาลแม่รวมทั้งพ่อตาพระพุทธเจ้าด้วยหรือพระเทวทัตท่านที่เอ่ยชื่อมานี้ก็ได้ใช้กุศลวิบากเก่าของตัวเองเนี่ยไปใช้ในทางสร้างกรรมใหม่เป็นการสร้างบาปเพกาว่าขาดทุนพวกนี้เป็นพวกขาดทุน มีพวกเลวมันจะเห็นว่าไอ้ตัวโวทธานะหรือตัวนิสัยที่ใส้สะสมไว้มันเป็นตัวทำลายหรือเป็นตัวเสริมก็ได้คันนี้ว่าเป็นว่าถ้าสมมติตามวิถีจิตที่เชีย่ยดูสามตำแหน่งนี้คนหนึ่งได้ทำกุศลมาแต่อดีตนะฮะแล้วก็มาได้รับวิบากในปัจจุบันนี้เมื่อเขาได้เสวยวิบากนั้นแล้ว เนื่องจากว่าเขาได้สะสมนิสัยใจคอไวในอดีตดีโวททะนั้นก็จะกำหนดให้เขานั้นใช้กุศลวิบากนั้นไปทำกุศลใหม่ชาวนะที่เกิดขึ้นต่อจากโวธทปนะก็จะเป็นกุศลชาวนะที่เราเคยได้ยินนะครับว่ากุศลชาวนะกุศลชาวนะมันอยู่ตรงนี้ก็คือคนนั้นก็ได้เกิดบุญเกิดกุศลแล้ว ทาวนะที่เป็นกุศลนั้นก็จะส่งผลให้เกิดกุศลวิบากในวิถีจิตใหม่สืบต่อไปในอนาคตนี่ถ้าหากว่าคนนั้นวดธรรมนไม่ดีได้รับกุศลวิบากมาก็นําเอาทาวนะก็เกิดบาปก็เกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลไปในทางเสียหายแก่ชีวิตของเขาอันเนี้ยชีวิตเราก็หมุนอยู่อย่างเนี้ยหมุนอยู่อย่างนี้ นั้นจุดที่พระเจ้าสอนให้ปฏิบัติได้คือตรงตัววอดธระที่เราเคยได้ยินว่าโยนิโสมนสิการนะถ้าใครเป็นนักปฏิบัติกรรมฐานก็จะคุ้นเคยและครูบาอาจารย์ก็จะสอนตรงนี้บ่อยๆซ้ำๆว่าให้วางใจให้ดีหรือให้โยนิโสมนสิการให้ดีหรือบางทีก็อาจจะใช้คาว่าให้กำหนดให้ดีกำหนดอารมณ์ต่างๆที่มากระทบเนี่ย ทั้งทั้งดีทั้งไม่ดีถ้าคนทํากรรมฐานแล้วโยนิโสมนติการเป็นแล้วเอามาเป็นที่ตั้งหรือที่อบรมกุศลชาวนาให้เกิดได้ทั้งนั้นอย่ น, นี้ก็เป็นเป็นส่วนใหญ่ๆ ห, หรือส่วนสำคัญของวิถีจิตที่ยกตัวอย่างให้เห็นในที่นี้พอผ่านไปได้ก่อนเอาล่ะคำว่าวิถีจิตเนี่ย ได้รับเอกสารแล้วนะครับดูในเอกสารนิดหนึ่งคำว่าวิธีจิตแปลว่าอะไรวิธีนั่นนะเราก็คุ้นเคยแปลว่าทางนะครับตามศัพท์มีความหมายเดียวกับคำว่ามักที่แปลว่าทางในนี้ได้อธิบายไว้ว่าวิธีจิตนะ่แปลว่าจิตที่เป็นแถวเป็นทางหมายความถึงอาการที่จิตทั้งหลายเกิดขึ้น ทำกิจสืบเนื่องกันเป็นแถวดุดเส้นทางหรือมีอาการดุดกลุ่มชนที่เดินเรียงกันเป็นแถวอยู่บนเส้นทางนี่เป็นความหมายของพยัญชนะนนนถ้าถามว่าวิถีคืออะไรเราก็บอกว่าจิตที่เกิดขึ้นเป็นแถวเป็นทางนะเรียกว่าวิถีเหมือนกับทางอะเรานึกถึงทางทางเนี่ยมันเป็นทางยาวๆจึงจะเรียกว่าทางถ้าเราเอาดินไป ไปพอกไว้กองหนึ่งไม่เรียกว่าทางแต่เอาหลายๆกองมาต่อๆกันเรียกว่าทางอันนี้เรียกว่าเป็นทางดง น, นั้นจิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในลักษณะเป็นสายยาวจึงเรียกว่าวิถีจิตเวลาเราตื่นเนี่ยจิตจะเกิดขึ้นเป็นสายเป็นทางอย่างนี้นี่ถ้าถามว่าการที่จิตเกิดขึ้นเป็นสายเป็นทางอย่างนี้น่ะมันเกิดขึ้นเป็นสายเป็นทางอย่างไรและทําอะไรกันแต่ก็บอกว่า เกิดขึ้นเป็นแถวเป็นทางเพื่อทำกิจทำกิจคือทำหน้าที่ในนี้ใช้คำว่ากิจคือกระทำหน้าที่ได้แก่การขวนขวายเพื่อรับรู้อารมณ์ต่างๆซึ่งมีเป็นขั้นเป็นตอนนับเนื่องกันความหมายโดยตรงของวิถีจิตจึงหมายถึงกลไกการรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจ ม, มูกทางลิ้นทางกายทางใจซึ่งมีขั้นมีตอน สลับตัดสอนอันนี้เป็นบทอธิบายความหมายว่าที่ว่าเกิดขึ้นเป็นแถวเป็นทางเนี่ยเกิดขึ้นทํากิจและกิจของจิตนี่เราก็รู้ว่าจิตนั้นมีหน้าที่รู้อารมณ์การที่จิตรู้อารมณ์นั้นเมื่ออารมณ์มากระทบประสาท ต, ตาหูจมูกลิ้นกายหรือมากระทบใจโดยตรงนั้นเมื่อกระทบปรับจิตไม่สามารถที่จะกําหนดรู้อารมณ์ได้ทันทีคือในนี้ท่านก็บอกว่ า, าธรรมดาเนี่ยอะไรอไรมันจะต้องมีขั้นตอน เปรียบเหมือนเราบริโภคอาหารบริโภคพัดการที่เราบริโภคอาหารนั้นเราไม่สามารถที่จะตักอาหารใส่ปากหรือเรียกว่าพอยอนอาหารใส่ปากเปิดอาหารเข้าปากอาหารนั้นจะย่อยได้ทันทีหรืออาหารนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายทันทีจะต้องผ่านขั้นตอนนะครับขั้นตอนตั้งแต่ถ้าพูดึงอย่างจริงๆก็คือเมื่อเราเห็นอาหารเดินไปสู่ที่รับประทานอาหารตาดูอาหาร แล้วก็หมายใจว่าเราจะกินอาหารตักอาหารที่อันไหนก่อนแล้วก็ยืน่นมือยื่นช้อนไปตักอาหารนั้นมาอปั้นเป็นคําข้าวแล้วก็ยกคําข้าวนั้นเปิบเข้าปากเมื่อเปิบเข้าปากแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเคี้เคีว้ค ว, ว, ว, วพอสมควรเสร็จแล้วก็กลืนกลืนแล้วก็ต้องล่วงลําคอผ่านลําไส้จนกรทั่งไปถึงกระเพาะแล้วก็ย่อยย่อยเสร็จแล้วก็จึงดูดซึมไปหล่อเลี้ยงร่างกายในภายหลังต่อไป จิตของเรานะทำงานเหมือนกับการ ก, กินอาหารนั้นจิตรู้อารมณ์เนี่ยพูดอีกจำนวนหนึ่งจังว่าเป็นการกินอารมณ์ของจิตปากเรากินอาหารเพื่ออยู่ได้ฉันใดจิตก็ต้องกินอารมณ์เพื่อดํารงอยู่ได้ฉันนั้นเหมือนกันและมีขั้นตอนเหมือนกันขั้นตอนของจิตในการเกิดขึ้นเสพอารมณ์หรือกินอารมณ์นี้แหละเรียกว่าวิถีจิต นี่เมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็นึกต่อไปว่าอาการรับรู้อารมณ์ของเราเนี่ยมันมีจากัดไม่ได้เลยทีเดียวถ้าเราจะจำแนกประเภทของอารมณ์นะคืออารมณ์หมายถึงเรื่องต่างๆที่เรารับรู้เนี่ยมันเยอะเหลือเกินเพราะนั้นทางศาสนาเนี่ยท่านจึงได้กําหนดออกมาให้เห็นชนิดของวิถีจิตตามในแผ่นที่สองนะดูในแผ่นที่สองเลยทีเดียวว่าวิถีจิตคือการทางานของจิต ที่สามารถจะกำหนดออกมาเป็นรูปแบบที่ครอบคลุมการทำงานของจิตแห่งเราสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มียกเว้นเลยนั้นมีเท่าที่เห็นนี้ตั้งแต่วิธีจิตธรรมดาจนกระทั่งถึงวิจิตวิธีจิตขั้นสูงสุดเออขั้นมก่อนอื่นเนี่ยเราแบ่งเป็นสองประเภทก่อน สองประเภทที่ก็สอดคล้องกับความเข้าใจเดิมของเราว่าจิตของเรานั้นเมื่อรับรู้อารมณ์หรือการรับรู้หลงเรามีอยู่สองอย่างเท่านั้นเองอย่างหนึ่งคือปัญจทวารวิถีอันนี้จําเป็นต้องใส่ศัตว์เทคนิคแต่แปลแล้วก็ไม่ยุ่งยากอะไรอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ามโนทวารวิถีปัญจทวารวิถีทวาร น, นะแปลว่าป ร, รประตูทวารศัพ์เดิมแปลว่าประตูนะ ใช้เรียกประตูบ้านประตูเมืองบาลีเขาเรียกว่าถวาวรนั้นคนเฝ้าประตูเรียกว่าทวาวรบาลคือคนเฝ้าประตูกา น, นี้ต่อมาก็ได้พูดในเชิงเปรียบเทียบว่าบ้านเรือนหรือบ้านเมืองมีประตูมีทวาวรชันใดแม้สลีลังเราก็มีทวาวรมีประตูฉันนะั้นตัวเราเนี่ยก็มีประตูคือทางเข้าทางออก นะครับนี่เราเคยพูดกันมาแล้วก็ตูนอีกทีอันนี้จะสอดคล้องกับวิถีจิตอยู่งกันว่าถามว่าในตัวเราเนี่ยมันมีทาวารมีกี่ทาวารเราเคยแยกแล้วนะฮะว่าในมุมหนึ่งบอกมีอยสามทวารสามประตูคือประตูปากเรียกว่าจีทาวารแล้วก็ประตูกายเรียกกายทาวารประตูใจเรียกมโนทาวารอันนี้เป็นทาวารสําหรับทํากรรมแล้วก็ทาวาร อ, อีกในหนึ่ง ท่านแบ่งเป็นหเรียกว่าทวารหกทวารหก็คือทวารตาทางตาหนึ่งทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจอันนี้เป็นทวารสําหรับรู้อารมณ์การรับรู้สิ่งต่างๆเนี่ยเราอาศัยทวารหกแต่การที่เราทําบาปทํากรรมเนี่ยเราอาศัยทวารสามคือกายวาจาใจเรียกว่าตรายทวารอันนั้นเป็นทวารทํากรรมทําบาปทําบุญทวารรับรู้มีหกตาหูจมูกลิ้นกายใจ อันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งอันนี้ทางศาสนาก็ยังมี อ, อ, อีกมุมหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นเทวานก้าทวานก้าวเทวานก้านั้นเป็นทวานออกนะเขาเรียกว่าเป็นทาวานไนะหลออกของสิ่งโสโครกในตัวเรามีตาสองจมูกจมูกหรือจานับหนึ่งปากอีกหนึ่งหูอีกสองแล้วก็ขุมขน นับหนึ่งหะุ้ขนเนี่ยทั่วร่างกายนับหนึ่งนับหมดเยอะเกินไปมันเป็นมื่นๆนะแล้วก็ทวานหนักทวานเบารวมแล้วเป็นเก้าทวานเหล่านี้บอกว่าเป็นทวานเป็นที่หลังออกของสิ่งโสโครกคือเหมือนเป็นท่อน้าโสโครกอะไรที่ออกมาจากจากทวาลก้าเนี่ยไม่มีสะอาดเลยสักอย่างเดียวอันนี้เรียกทวานนี่ในทวานสามสามกลุ่มที่ผมว่ามาทวานสามทวานหทวานเก้า ทาวานที่เกี่ยวกับวิถีจิตน่ะคือทาวานหกคือทาวานหกตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ในทาวานหกเนี่ยท่านแบ่งออกเป็นสองออกเป็นสองกลุ่มนะตามลักษณะที่พอจะจัดกลุ่มอธิบายร่วมไปด้วยกันได้ลักษณะสอดคล้องกันตาหูจมูกลิ้นกายนั้นเป็นทาวานที่เป็นประสาทเป็นทาวานรูป ทวารห้าในเบื้องต้นคือตาหูจมูกลิ้นกายนั้นท่านจึงเรียกว่าปันจ่ปัญจาาแปลว่าแปลว่าห้าใช่ไหมฮะตังปตะบลีปัญจาาแปลว่าห้านั้นปัญจทวารจึงแปลว่าทวารห้าหรือประตูห้าอันหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายในนี้ตกตกไปทวารหนึ่งครับบอดไปทวารคือตกกายทวารไป นะมันมาแค่ชิวหาแล้วก็จบต้องเติมกายทวารไปอีกอันนะอีกทวารเรียกว่าเป็นรวมเป็นทวารห้าเรียกเป็นภาษาบาลีว่าปัญจทวารไอตัวทวาร น, นะตัวหนึ่งนะตัวทวารนนะหมายถึงตัวตาตัวจมูกตัวเลี้ยตัวกายไอนี้ไม่ใช่วิถีจิตแต่ที่เป็นวิถีจิตนั้นหมายถึงกระบวนการของจิตที่มาเกิดขึ้นทางตา ทางหูทางจมูทางลิ้นทางกายตัววิถีจิตนี่เียว่าปัญจทวารละวิถีถ้าปัญจทวารที่เฉยหมายถึงตัวทวารถ้าปัญจทวารละวิถีหมายถึงจิตที่มาทำงานทางทวารทางห้าเนี่เราก็ลองดูพอเห็นเป็นตัวอย่างสักนิดหนึ่งว่าอย่างเช่นทางจักขูทวารละวิถีนะจักขูทวารคือตาสองข้าง ที่มีประสาทตาอยู่เนี่ยเรียกว่าจักขคูทวานแล้วนี้ถ้าเราหลับตาอยู่ก็ดีการที่เราหลับตาอยู่นะจิตไม่มาทํางานทางตามีแต่จกักรคูทวานแต่ไม่เกิดจกักรคูทวานวิถีหรือเราลืมตาแต่ไม่ได้ตั้งใจจะดูลืมตาแต่ไม่ได้ตั้งใจจะดูตอนนั้นก็มีแต่จักขคูทวานไม่มีจักขคูทวานวิถี หรือเราลืมตาขึ้นตั้งใจจะดูแต่ไม่มีอะไรจะดูไม่มีอะไรจะดูก็มีแต่จกักขูทวารไม่เกิดจกักขคทวารวิธีนี้ถ้าเมื่อใดเหตุสีอย่างมาประชุมพร้อมกันอานี่เนี่เกี่ยวกับวิเชียที่หนึ่งอีกแล้วนะอันนี้จะคาบเกี่ยวถึงบอกว่าพูดแล้วก็จะเป็นการย้ำของเก่าด้วยเปลือกต่อของใหม่ด้วยเมื่อมีเฮสียางมาประชุมพร้อมกันเมื่อใด ตาคือจักขคู่ทวารจะทำงานทันทีโดยห้ามไม่ได้ไม่ว่าใครจะห้ามก็ห้ามไม่ได้และถ้าไม่มีเหตุสี่อย่างใครจะมาขอร้องบังคับก็ขอร้องบังคับไม่ได้ตรงนี้ท่านบอกว่าปฏิเสธเรื่องอำนาจของผู้ยิ่งใหญ่หรือปฏิเสธอานาจของพระผู้สร้างว่าทุกสิ่งทุกอย่างตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยเป็นไปตามเหตุปัจจัย เอาไอ้สี่อย่างนี่เอาออกสัอย่างหนึ่งใครก็เห็นไม่ได้แล้วก็ถ้าสี่อย่างนี่มาประชุมใครก็ต้องเห็นจะไปห้ามไม่เห็นก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอนัตตาดูแล้วก็แปลกดีไม่ต้องมาบันดาลแก้วแหวนเงินทองให้แล้วแค่เนี้ว่าไอ้ไม่อยากจะเห็นมีเหตุอย่างว่ายุงแล้วไม่อยากจะเห็นทําให้ไม่เห็นได้ไหมเมธไม่เห็นไม่ได้นะอ้าวสีอย่างคืออะไรบ้างนี่ก็ทวนอีกนะก็ไม่เป็นไรหรอกหนึ่งมีจักขุ่ประสาท หรือจากขุทวานนี่แหละเป็นเหตุอันหนึ่งสองมีรูปารม์คืออารมณ์มากระทบตาสามมีแสงสว่างมีแสงสว่างเป็นปัจจัยช่วยให้ได้เห็นแล้วก็สี่มีความตั้งใจจะดูถ้าไม่ตั้งใจจะดูก็ไม่เห็นชีวิตของเราก็บ่อยๆไปใช่ไหมครับไม่ตั้งใจจะดูไม่งั้นคนไม่ไม่ดูกล้วจนหรอก ไอ้ถูกระนบาตทีมันเห็นเหมือนกันแต่มันหนีไม่ทันก็มีบางทีไม่เห็นนะไม่เห็นนี่เรียกว่าไม่ตั้งใจจะดูก็ถูกระชนไอ้บางบางอารมณ์เนี่ยมันไม่มาชนเราไม่ทำอันตรายเราไม่เห็นก็แค่นั้นแต่บางอย่างไม่เห็นไม่ได้ก็ทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตทรัพย์สินได้มันเมื่อเหตุสี่อย่างมาประชุมกันเมื่อใดเมื่อนั้นจิตจะทำงานทางตาทันทีตาจะต้องเห็นทันทีและเมื่อตาเห็นเนี่ย มันไม่ไม่ใช่เห็นทีเดียวแล้วรู้เรื่องไม่ว่าใครทั้งนั้นนะฮะเห็นอะไรเนี่ยไม่ใช่เห็นครั้งเดียวครั้งแรกแล้วรู้เรื่องมันมีขั้นตอนอย่างเหลือเชื่อเล ย, ยครับว่าโอ้โหทำไมชีวิตเราเนี่ยถึงวิ จ, จิตพิสดารอย่างนี้คงจะลองว่าให้ฟังนะในที่เราจะได้พูดกันครับคราวต่อไปเนี่ยแม้แต่รูปารมิล้มกระทดตาแต่ว่าตาเราอยู่นี่อยู่มีตาสองข้างเราลืมตามีแสงสวาง่างตั้งใจจะดู อารมณ์เนี่ยมันปรากฏขึ้นแสงสะท้อนจากที่เกิดของมันแล้วมันก็เดินทางมาเข้าตาเราการที่มันเดินทางมาเข้าตาเราเนี่ยในนี้เขาบอกความหมายเอาไว้เลยทีเดียวนะในที่เขียนว่าอติมหัน ต, น ต, ตอารมณ์มหันตอารมณ์บริตอารมณ์มติบริตอารมณ์เนี่ยมันมีกําลังแตกต่างกันนะครับอารมณ์เนี่ย เราเราเคยได้แต่พูดว่าเอออารมณ์นี้มันมีกำลังน้อยอารมณ์นี้มันมีกำลังมากอารมณ์นี้เราดูแล้วเราตื่นเต้นอารมณ์นี้เราดูแล้วเราไม่ตื่นเต้น่าเพราะอะไรในอวิธรรมลัทธิจีเขาอาธิบายถึงนนไอ้กลไกละเอียดของมันว่าทำไมมันถึงไม่ตื่นเต้นถ้าอารมณ์ใดเป็นอารมณ์ที่อยู่ใกล้นะ อารมณ์ใดเป็นอารมณ์ที่อยู่ใกล้อารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่ชัดเจนอันนี้เป็นมุมหนึ่งนะมันจะปรากฏชัดเจนเมื่ออารมณ์ชัดเจนเนี่ยจะทําให้จิตของเราเนี่ยมีความตื่นเต้นสูงจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเราทําอะไระอะไรขึ้นมาเนี่ยนึกว่าเวลาเราทําชีตเนี่ยเราต้องทําให้มันเป็นอารมณ์ที่ชัดเจน เวลาดูแล้วจะได้เกิดความรู้สึกความตื่นเต้นคือมันเป็นเครื่องช่วยเครื่องช่วยทําให้จิตใจของเรานั้นเกิดความสว่างสวัยกว่าการทําในลักษณะที่มันเศร้าหมองมัวหมองมืดทึบอันนี้มันเป็นเครื่องช่วยทําให้อารมณ์นั้นชัดเมื่ออารมณ์ชัดเนี่ยความเมื่อวิถีจิตเกิดขึ้นวิถีจิตนั้นก็ชัดเราจรึงรู้สึกว่ า, าการเห็นสิ่งบางอย่างเห็นแล้วมันไม่ติดตาใช่ไหมเห็นแล้วไม่ติดตา อารมณ์บางอย่างเนี่เห็นแล้วติดต า, ตดตาเห็นแล้วติดหูเกิดจากอะไรเกิดจากความชัดเจนของอารมณ์ที่เราได้เห็นนะเป็นเป็นข้อหนึ่งนะไ อ, ไอ้ความตั้งใจเราก็มีส่วนช่วยมันก็เป็นเหตุนหนึ่งอะแต่อารมณ์นั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งนะอารมณ์ที่มีความชัดเจนมากเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นอติมหันตาลมไว้ในที่นี้นะอติมหันตาลมอารมณ์ที่มีความชัดเจนมากทําให้เกิดจิตใจ ความรู้สึกที่รุนแรงมากเวลาคนจะทําอะไรแล้วก็มีความมุ่งหวังที่จะให้เกิดความรู้สึกที่ชัดเจนหรือเกิดความรู้สึกที่รุนแรงมากที่เอามาใช้ในทางศาสนาเนี่ยท่านจึงสอนให้ทําอารมณ์นั้นให้ชัดเจนทําอารมณ์นั้นให้ชัดเจนแต่ก็ท่านก็บอกว่าถ้าเป็น อกุศลอารมณ์เนี่ยควรทําให้ชัดเจนนะถ้าเป็นอกุศลอารมณ์คืออารมณ์ที่ก่อให้เกิดอกุศลนี่ไม่ควรทําให้ชัดเจนคือถ้ามันมันมันอ่อนมันบาง ก, กา ง, งี้ยไงจนงเลยนะมันไม่ชัดกไงจังเลยอย่าไปทําให้ชัดเจนอย่าไปทําเหมือนอย่างที่เจ้าบ้านชาบ้าน่เวลาใครเขาตีชิ้นนินทาพูดจาซุบซิบซุิบเราก็อดที่จะไปถามไม่ได้ว่าว่าอะไรนะว่าอะไรผม ในพูดดีทีสิหรือด่าอีกทีด่าอีกทีท่ทเขาอุตส่าห์ด่าไม่ชัดไม่ชัดเราอย่าไปให้ชัดีดดกดดคือตัวอยากจะอยากจะล้วกความจริงโดยความหมายคืออยากจะเกิดความรู้สึกที่ชัดเจนซึ่งมันเป็นโทษสําหรับคนที่ไม่รู้นั้นทางพระเนี่ยอะไรที่เสพแล้วเป็นอกุศล น, นะครับเราไม่รู้ซะเลยได้ดีนะถ้ามันไม่ชัดไม่ชัดปล่อยมันไม่ชัดไปให้มันลืมให้มันหลุดไปจากจิตใจของเราเสีย พรพวกนี้ถ้ามันติดใจแรงเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นอันตรายแกเรามากต่นนั้นนะมันเหมือนกับไฟเราไปโดนไฟร้อนแล้วมันความร้อนมันแช่อยู่ในผิวหนังเรานานมันก็เป็นอันตรายแก่อวัยวะส่วนนั้นของเรามากตอนนั้นอันนี้เป็นอันนี้เราเอาไปไปยุบใช้ในชีวิตเราได้เยอะนะครับอันเนี้ยเวลาเราศึกษาจริงจริงเนี่ยโอ้ท่าท่านสอนไปอ่านธรรมะก็จะเห็นว่าโอ้ท่านถอดออกมาจากหลักเหล่านี้ทั้งนั้น เวลาทำอะไรโดยมีอะไรต่างๆนะฮ ะ, อ, ะอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นทาวารทางตาแม้ทางหูทางจมูกทางลิ้นและทางกายมันก็จะมีระดับของอารมณ์ที่เป็นอติมานตอามณ์มาตอารมณ์ปริตอารมณ์ปฏิปริตอามในเหมือนๆกันหมด <c oughs> เอาละเราผ่านปัญจทาวารวิถีย่างคร่าวๆไปก่อนนะครับ ท่านยังจะคงเข้าใจรายละเอียดไม่หมดในนี้ไม่เป็นไรให้เข้าใจปัญจทวารวิถีเป็นส่วนสำคัญก่อนสำหรับมโนทวารวิถีนั้นหมายถึงจิตที่ขึ้นวิถีในรูปของความนึกคิดคือเวลาที่เราเกิดความนึกคิดอารมณ์ต่างๆจิตทีท่ที่เกิดความคิดนึกนั้นมันก็เป็นวงรอบเป็นวาระเป็นมีวงจรของมัน ท่านเรียกว่ามาโนทววารวิถีอถ้าถ้าเราจะดูความแตกต่างกันจะชัดก็คือเมื่อเราลืมตาปัญจเทวาลวิถีเกิดนะเมื่อหูฟังเสียงปัญจเทวานวิถีทางหูเกิดเมื่ อ, อลิ้นเราลิ้มรสก็เป็น ป, ปัญจเทวาลวิถีกายถูกต้องเป็นปัญจเทววานวิถีแต่เมื่อใดเราหลับตาหูก็ไม่ได้ฟังเสียงไม่ได้สัมผัสถูกต้องนะครับไม่ได้ลิ้มรสไม่ได้ดมกลิ่น คิดนึกเรื่องต่างๆอย่างที่เราคิดนึกตอนนั้นแหละเป็นมโนทวารลวิถีเป็นมโนทวารลวิถีอสองวิถีเนี่ยเวลาคนสพุทธคนปฏิบัติธรรมนะสำหรับท่านที่ปฏิบัติธรรมนะคนที่บรรลุธรรมก็ดีจะเดินวิปัสสนากรรมฐานต่างๆก็ดีถ้าถามว่าจะเดิญด้วยวิถีไหน ใช้ปัญจทวารวิถีจเจริญหรือมโนทวารวิถีจเจริญรู้มไหม ท, ที่ใครที่ไปเข้ามาเพิ่องออกกมามาัเมื่อวานเนี่ยใช้วิถีไหนจเจริญเอท่านก็อาจจะนึกว่าเอากกตาก็เห็นเนี่ยเห็นหนอได้ยินหนอมันน่าจะตาจะเจริญท่านบอกว่าไม่ใช่ตาเนี่ยเป็นที่อาศัยจเจริญเป็นบทกรรมฐานนะฮะง่ายๆปัญจทวารวิถีมาในฐานะเป็นบทกรรมฐานตัวเจริญ น, นั่นคือตัวโมโนทวารวิถีและบุคคลเมื่อบรรลุเมื่อบรรลุวิปัสสนาญาณเนี่ย บรรลุทางมโนทวารไอ้ทางตานี่มันจะตัดหมดนะมันจะเห็นเห็นแล้วทิ้งๆงหมดจักแล้วว่าเห็นหมดและตัวที่เข้าไปไประจักษ์แจ้งคือตัวมโนทวารวิถีที่เป็นตัวบรรลุแล้วคนบรรลุมรรคผลนิพพานในขั้นสูงก็บรรลุทางมโนทวารวิถีหมดดันั้นท่านที่บอกว่ามโนทวารวิถีเนี่ยมีอานุภาพมากมีอนุภาพมา ก, ม อ, ามากอันนี้จะเป็นหลักที่เราไปใช้ได้จริงๆเพราะอะไรที่มีอนุภาพมากท่านว่า เพราะว่าปัญจทาาวารวิถีเนี่ยมันก็จิตเหมือนกันแต่ว่าจิตถ้าจิตเนี่ยไปผูกกระรูปมากเท่าไหร่จิตไปผูกพันกระรูปอนุภาพน้อยลงเท่านั้นปัญจทาาวารวิถีนะเป็นจิตที่เข้าไปผูกพันกับรูปอย่างเหนียวแน่นคือไม่ไม่มีตาก็ไม่เห็นเลยเนี่ยเพราะอารมณ์มากระทบตามถึงเห็นอนุภาพมันถึงน้อยไปบรรลุอะไรไม่ได้ทางนี้และถ้าคนเนี่ยสมมติว่า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 เห็นสักตะวันเห็นนะแปลว่าเมื่อตาเห็นรูปพับดับไปถ้าคนอื่นเขาก็เห็นอย่างนี้เหมือนกันแต่เขาไม่ได้เอาสติสมัญญาทางมโนทวารเนี่ยมากําหนดรู้ว่าเราได้เห็นไม่ได้กําหนดรู้ว่าเราได้เห็นที่จะกําหนดว่าเห็นหนอหรือเห็นหรือเห็นสักทะวัเห็นก็แล้วแต่เถอะงนั้นการที่ไม่ได้เอากําหนดเอามโนทวารมากําหนดการเห็นของปัญจทวารเนี่ยเห็น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 และเรานึกดูครับว่าเมื่อใครที่จะมีความคิดสร้างสรรค์เราไปดูไปดูของสิ่งเดียวกันมเมื่อไปดูบ้านแบบบ้านหลังหนึ่งหรือไปดูอะไรอย่างใหอย่างหนึ่งคนหนึ่งก็ก็ดู